พุทธวัจน์สวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะรายการธรรมสณีที่จะได้หรือว่าพุทธวัจนะเนี่ยนะคะ ถึงความสําคัญของพุทธคยาหรือว่าอาจจะอยากแล้วมีเหตุการณ์อย่างไรบ้างสมควรที่ชาวพุทธจะได้รู้เอาไว้นอกเหนือจากความอิ่มเอิบใจที่ได้รู้ว่า ทำไปหุ้มทองคําที่ยอดเจดีย์พุทธคยาซึ่งเค้าทํากันเสร็จแล้วและกําลัง 6 เท่าที่ดิฉันติดตามข่าวนะคะ เอ่อระวังคือว่าสุดยอดมากเลยที่ที่ควงไม้นั่นนะแล้วก็พระพุทธเจ้าตรัสคํานี้ นายบอกว่าเมื่อเรายังคนไม่พบแสงสว่างนะอาจารย์อธิบายในรายๆอ่าตัดไว้เป็นกลอนสั้นมัวเสาะหาไหนช่างปลูกเรือนอยู่ได้ท่องเที่ยวไป เรารู้จักเจ้าเสียแล้วรู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจะสร้างเรือนให้เราต่อไปอีกไม่ นะบทกลาดนี้นะคือเป็นปกรณ์ที่ลึกซึ้งนะคุยกับตัณหาว่าอย่างนั้น สิ่งที่เขามุงไว้ข้างบนยอดบ้านเลยนี่นะคุณยมทิวก็คือจะเป็นก็ยอดเรือนยอดเรือนคือจั่วของของ นะไอ้เรือนเนี่ยคือกิเลสนะทีนี้ถ้าเราละกิเลสได้คือเราไม่เอาอะไรเพื่อที่จะมาต่อ นะในระหว่างที่แสวงหาแสงสว่างนะคือความหลุดพ้นแล้ว <ฆ. S 2> เอ่อในในความที่อยู่ประมาณ 2 เดือนโอ้มีเหตุการณ์อย่างอื่นเกิดขึ้นด้วยนะ นะคือท่านในทางวิทยาศาสตร์เราอาจจะเอ่อพูดถึงเอ่อแสงที่มาจาก<ใช> แต่มีสัตว์ที่ไปเกิดอยู่ในที่นี้ก็มืดนะแสง<อ> แสงสว่างมากทีเดียวมันนี่คือเอ่อก็ถึงที่สุดแห่งความภิสุดแห่งทุกข์แล้วเนี่ยพอพอเราสําเร็จอะไร นะนั่งตรงใต้โคนไม้โพบ่างมะตันนั่งใต้ต้นไม้ไส้บ้างณหลักฐานทางบริษัท นะ, นะ, นะ, 2 สัปดาห์<ใช> 1 สัปดาห์ไปที่นู่นอะไรก็ก็ น่ะนั่งจากหรือ 2 กิโลเนี่ยนั้นจะต้องจะต้องเดินออกไปเนี่ยก็จะเป็น เอ่อตอนนั้นมานั่งอยู่ที่ใต้ต้นไทร อ่ะความรู้สึกนี้ก็เลยเกิดขึ้นมาอืมแต่ว่าใครเสมอราวหรือว่ายิ่งไปกว่าเราเนี่ยไม่มีเลยหาไม่เจอ<ใช> พอคิดอย่างนี้แล้วนะสัมฤดีพรหมน่ะก็วาร์ปมาทันทีนะสัมฤดีพรหมก็คือเป็นพรหมไหนชื่อสัมปตินะท่านสัมปติพรหมนั้นก็รู้ในใจนะ นาคาข้างหนึ่งกับข่าวข้างหนึ่งจรดอยู่ที่พื้นแล้วก็ประคอง น่ะเพราะว่าไม่งั้นก็คงจะไม่ได้สามารถพูดได้อ่ะนะอ่าแล้วก็เอ่อ <c oughs> นะคุณอันใหญ่ในที่นี้ก็คือ แล้วก็มาถึงอาตมาก็ไม่ทราบว่าเขาไปทราบข่าวนี้ได้ไงนะ<ใช> นะพวกพราหมณ์เนี่ยเค้าก็จะสั่งว่าเอ้ยคุณต้องเอื้อ นะพุทธเจ้าก็เกิดความคิดในใจคือไม่ได้ตอบเขานะอ่าตอนนั้นสมณโคดมสมาคมสมณบริชาตของเราเนี่ยไม่ได้ตอบปราม นะกล่าววาจามีที่ตั้งมีหลักฐานที่ นะ, นะ, นะ, นะ, นะ, นะ, นะ, 80 ปี 90 ปี 100 ปีแล้วผม อย่างนี้อ่าในช่วงเวลาที่อยู่ใต้ต้นบ้างใต้ต้นโผบ้างเอ่อหลังจากที่มีสัมบัติพรหมเข้ามาหานะมีเอ่อสัมบัติพรหมแล้วก็ เอ่อปุรชาก็บอกว่ายังๆยังไม่ถึงเวลาณเวลาที่จะปรินิพพานเนี่ยก็ต่อ นะจะต้องตามบอกตามสอนคอยสั่งคอยสอนๆนิดๆนี้บอกกับมารนะบอก ก่อนหรือหลังนะจากความรู้สึกที่ท้อใจในการแสดงธรรมแต่พระเจ้าเนี่ยท้อใจในค่ะเพราะว่าคนฟังก็คง นี่ถ้าสมมุติเกิดตามใจมารนี่ยุ่งค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพคะและ ตอนต่อไปที่ท่านคุณค่ะวันค่ะเจริญพาน FM 106 วิทยุครอบครัวค่ะ